ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ร่วมปโพธิยานกำลังนำเสนอเป็นการขยายบทว่าญาณกรณีในธรรมจักรวัตนสุขแล้วก็เข้าไปสู่คำวบายานตามที่ท่านขยายไว้ในปฏิสัมพิธามักขุตการิกายตรงนี้ที่จริงค่อนข้ามพิสดารนะค แต่เนื้อหาสาระบางทีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันพอท่านอธิบายขยายออกไปเนื่องจากมันเป็นปัญญาด้วยกันก็ต่างแต่กรอบความเข้มข้นความลึกความกว้างนะฮะของเนื้อหาสาระตรงนั้นในข้อต่อไปคือข้อยี่สิบที่ท่านบอกว่ายานัักยาน แปลว่าปัญญาที่รู้ยิ่งในตัวความรู้คืออะไรก็ตามคือเรารู้ได้ลึกซึ้งในเรื่องเหานั้นแต่ข้อที่ไม่ควรลืมคือคําว่ารู้ในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยตัวไม่รู้นี่ต้องลดเมื่อตัวไม่รู้ลดนี่กิเลสต้องลดตามโลกโกดลงนี่ต้องลดตามลดมากน้อยไม่รู้ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ลึกมากเท่าไหรเ่เนี่ย แต่ตัวไม่รู้มันก็ลดลงไปลึก ม, มากเท่านั้นแล้วโลภตัวสะโมหะมันจะลดตามลงไปครนี้เอาลองลองดูตัวอย่างง่ายๆนะว่าเราไม่เคยพบคุณปู่คุณย่าเราเลยก็ได้แต่คุณพ่อเล่าให้ฟังมันก็เป็นบุคคลในฝันในจินตนาการเราก็อยากพบอยากเห็นคุณปู่คุณย่าเรา แล้วก็ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเราเดินไปพบตาแก่แยายแก่สองคนเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครเร า, า จ, จะรู้สึกเฉยๆเราบางครัง้งบางคราเราอาจจะไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรต่อหน้าท่านท่านก็อาจจะตักเตือนแล้วก็หวังดีเราอาจจะโกรธก็ได้เราเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ แต่พอพอดีพ่อมาถึงก็บอกบอกเราให้รู้ไปไหวตายายสองคนแล้วก็บอกเราให้รู้ความรู้สึกเราเนี่ยจะดีใจแลยจะเกิดซาบซึ้งจะเกิดประทับใจอเรียกดีใจเข้าไปกราบเข้าไปไหว่บางครั้งอาจจะแสดงความเสียใจจะน้องให้ออกมาก็ได้หรือดีใจจะน้องไห้ก็ได้ ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมันเกิดจากเรารู้ว่าท่านคือปู่ที่เป็นบุคคลในฝันเราในจินตนาการของเรามานานแล้วเรื่องอย่างอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันธรรมะอะไรก็เหมือนกันถือว่าเกิดความรู้แล้วมันจะหยั่งลึกลงไปได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าเราคิดได้ขนาดไหนแต่ตรงนี้ที่จริงมันเป็นผลาจากการปฏิบัติ ด, ด้วยนะฮะจะต้องผ่านการปฏิบัติแต่ว่าสูตรที่ต้องกาหนด ไว้ทุกจุดคือตัวความไม่รู้ต้องลดแล้วกิเลสต้องลดตามก็ต่อไปเรียกว่าติรนัตถยาปัญญาเครื่องกำหนดรู้ในการยกเอานั้นสิ่งเดล่านั้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นคุณเป็นโทษโดยสภาวธรรมคล้ๆกับพวกเนี่ยพวกสังขารทั้งหลายเนี่ย คือเราทําอะไรมันไม่ได้อะสังขานจังหลายที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาในเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แต่ว่าทํายังไงจะเอามาพิจารณาจนเกิดความรู้เห็นถึงความจริงของสิ่งเดล่านั้นแล้วก็เราก็บรรเทาความกำหนดความยึดจิตหรืความรู้สึกว่าเป็นของเรารู้สึกเป็นเรารู้สึกเป็นตัวตนของเราในจริงเหียนั้นออกไปได้ หรือไปจะณาห็นคุณเห็นโทษแล้วเราก็นำไปใช้ในเรื่องอื่นๆนะครจะยกตัวอย่างในปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองอะไรที่เราก็มาพูดกันในปัจจุบันพูดด้มากมันก็มากกันนะถ้าพูดไม่ให้มากที่จริงมันไม่มากหรอกสมมติว่าเราคนไทยเนะี่ยจะทำหน้าที่คนตนเองโดยความมีน้ำใจต่อคนอื่น ต่อคนภายในครอบครัวเรื่อยไปจนถึงชาติบันเมืองเขาเรียกเสียสละเนี่ยแล้วโดยพื้นฐานเราเองเรารักสงบทีนี้เมื่อมีภยัยมีอันตรายมีภารกิจที่จะต้องทําจะต้องรับผิดชอบเนี่ยไม่หวั่นไหวมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมัน่นแล้วในคณะบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามาคัคคีตั้งแต่ภายในครอบครัวเนี่ย แก้ปัญหาได้เยอะนะเอาตามเพลงชาติที่เราเราสวดกันที่เราท่องกันเนี่ยแต่เราฟังทุกเช้าเนี่ยอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามคัคคีไทยนรักสงบถึงจะรบไม่ขาดเอกระาษจะไม่ให้ใครค่มขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติผลีเนี่ยขนาดเป็นชาติผลีนะตะหลงประเทศจะไทยทวีมีใจจ ช, ชยโยแล้วก็รู้จักประสานประโยชน์ เห็นว่าพิจารณาปัญหาต่างๆในบ้านเมืองเราเนี่ยบทีมันขัดแย้งกันแล้วถ้าเราลองสังเกตว่ากี่ปีก็คือคือเท่านั้นน่ะจะเหตุการณ์สมมุติว่ามีการเล่นแรงๆหน่อเช่นว่าปาระเบิดหรือยิงกราดหรือว่าฆ่าคนตายหรืออะไรก็ตามพอตำรวจมาศึกษามาสืบสวนมาสอบสวนแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่ประเด็นซ้ำซา ปัญหาเรื่องขัดผลประโยชน์กันขัดแย้งกันทางการเมืองปัญหาชู้สาวปัญหาการหักหลังกันจ้างวานในข้าเนี่ยเห็นตุผลมันจะอยู่ในแวดวงตัวนี้แล้วก็เรียกว่าทุกคราวจะต้องมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมานลักษณะต่างนั้นแล้วก็ผ่านการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ส่วนมากก็อยู่ในแวดวงตัวนี้ มนก็ขัดแย้งกันเรื่องคนกับคนน่ะเรื่องคนกับทรัพย์เรื่องเพศผู้หญิงขัดแย้งกับผู้หญิงผู้ชายขัดแย้งกับผู้ชายผู้หญิงขัดแย้งกับผู้ชายอะไรต่างๆวุ่นวุ่นอย่างเงี้ยนั่นก็นํามาพิจารณาว่าเออเราก็แก้ไขช่วยกันลดละหรือแม้แต่ปัญหาความยากไร้ที่เราพูดถึ้งง่จนเจ็บไปในสังคม ทั้ปกติเราก็กลัวมากเกินไปไม่กล้าพูดว่าคนของเราก็มีปัญหาอย่าคิดว่าคนของเราเป็นเทวดาเลยคนของเราก็มีปัญหาเองหลักการสำคัญของมนุษย์ก็คือการช่วยมนุษย์เอยงช่วยเขาพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่ช่วยเขาเป็นลุกรุ่มทวงสังคมถ้าคนก็เรายัางตกเป็นท่าสิ่งเสพติดคนก็เรายัางเล่นการพ น, นันคนก็เรายัางไม่เคยขยนันคนก็เรายัางไม่ฉลาด คนข็งเรายัางไม่สามารถเนี่ยทำยังไงมันก็แก้ไม่ได้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของการช่วยตัวเองเราลองดูสั ง, สงเกตพระธรรมคุณเนี่ยพระธรรมคุณสองบทหลักเนี่ยคือเอฮิปัสซิโกต้องมาศึกษาพิสูจน์ตรวจสอบคนควาเป็นิพพิจาร์แล้วคุณต้องนำไปปฏิบัติคือโอปานีโกผลที่รับประกันไว้นี่จะเกิด มันไม่ใช่เรื่องการดุดบ ด, ดานอันนี้คือนำมาพิจารณาราะห์ตรวจสอบดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแต่ว่าที่จุดที่เป็นอันตรายก็คือเราชอบตรวจสอบคนอื่นเราไม่ค่อยตรวจส อ, สอบตัวเองเคยสังเกตเวลาไปอบรมบรรยายอบรมเนี่ยนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามปัญหาถ้าเป็นตำรวจถ้าเป็นครู ก็เป็นพระด้วยนะ่ยทปัญหาออกนอกหมดเรื่องของคนอื่นแล้ววิาพาควิจารณ์คนอื่นโดยเฉพาะครูเนี่ชอบวิจารณพระกับตำรวจตำรวจก็ออกไปทางทางคนอื่นนะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับพระแล้วมหาเทมาคมเนีโดนดุตินะองค์กรข้างนอกเนี่ยคือรัฐบาลโดนดุตินั่นก็แสดงว่าเรามองตรวจสอบ ตรสอบคนอื่นคือชอบวิเคราะห์ชอบตรวจสอบคนอื่นแต่ว่าเตียนะปัญญาเนี่ยมันดูจากข้างในดูเราก่อนหรือว่าแม้จะดูข้างนอกนะแต่ต้องมองกลับเข้าหาตัวเองแม้แต่ระดับที่สูงสูงขึ้นไปลองสังเกตว่าเช่นสอนให้พระพิจารณาศพที่เราเรียกว่าบางสกุลนะคาถาที่พิจารณาเนี่ยมันมองจากตรงนั้นมองแก้วสม เสร็จแล้วก็มาสอนตัวเองอนิจจาวัฏสงคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอปะฏิญธรรมิโนเป็นการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาปจิตวานิรชนันทีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเราทํำยังไงอ่ปะปวติสังวูปสโมสุโขเธอเธอทําจิตให้ซึสงบในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเลยมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นนหละแก่ก็แก่เจอก็เจบต้ายก็ตาย ไม่ต้องไปดิ้นไม่ต้องไปเดือดร้อนมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกคนเกิดมานานจะไม่แก่ได้ไงไอ น, นี้ก็คือสิ่งยังยังเด็กเด็กคนรุ่นหนุ่มเวลาเนี่ยนะครับตัางแง่ต่า ง, งมุมลังเกียจคนแก่ยิ่งวงการเมืองและจะเรียกร้องคนหนุ่มถามว่าบ้านเมืองนี้นาพามาด้วยคนหนุ่มหรือคนแก่คนแก่ตรงนั้นนะองนะครับที่เขนนาพาชาติบ้านเมืองกันมาเนี่ย เด็กมันต้องอาศัยผู้ใหญ่ยังต้องอาศัยผู้ใหญ่ยังต้องอาศัยประสบการณ์ในอะไรต่างๆเป็นอันมากนะครับคือคนเนี่ยมันมันต้องเข้าไปน้นแหละแต่ว่าก็ตามความเป็นจริงเราจะพบว่าคนที่เป็นผู้นําขนาดตั้งสถาปนาศาสนาโดยอายุแค่สามสิบกปีเนี่ยมันมีเจ้าพ่พระพุทธเจ้าบมีเจ้าพ่พระพุทธเจ้าพระเยซูเนี่ยมีไมกี่ท่านหรอก จะยุ่นน้อยแล้วไปสร้างอะไรขึ้นมาได้คนเรามีความเหมาะสมในจุดของเขาเองแต่วันนั้นก็คือบทเรียนว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปตั้งแง่ตั้งมุมกับคนแก่เพราะวันหลังเราก็ต้องแก่ด้วยมันมีคุณค่าอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งถึงครังสมองเนี่ยคือมาพูดมานานแล้วแต่เราก็อย่างว่า คือมองเห็นว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนเด็กผู้แพทย์ผู้ชนานาญการทั้งหลายเนี่ยไปกเกษียณท่านเนี่ยทไมคือคนบางคนมันมสร้างชดเชยไม่ได้อย่างวนี้อย่างยกว่าคนอย่างคุณชายครฤ ก, กริตเนี่ยมอมราชวงศ์คริกริตปราโมทเนี่ยเอาคนมาชดเชยได้เปล่าตายก็ตายอ่ะนะมันหาคนมาชดเชยไม่ได้แล้วมีนักวิชาการเป็นมันมากมีแพทย์เป็นนมากเนี่ย เป็นมือทองที่มีอยู่คนเดียวในประเทศเลยหรือรี่พับ ก, กระเสียนทำไราชาวิชาประโยชน์แม้แต่พระเราเองก็เ็นลักษณะอย่างงี้ปลายึงน้อยตัวป้ากิ่งขึ้นสมมติว่าปลาจะคิดระบบกะเกษียนแบบชาวบ้านด้วยนะองค์กรนี้พังเลยจะอยู่ไม่ได้แล้วเพะไม่มีตัวมาทดช่ยมาทดแทนในจุดที่มันบ้างโตไม่ทันนะ คนมียโตไม่แทนันศาสนาทุกศาสนาลองสังเกตว่าไม่อยู่คนแก่อยู่กันคนเฒ่าคนแก่เลยพระมหากัตปะนตอนเป็นประธานสังขยาาอายาุร้อยี่สิบแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาพระนรนี่ก็อยู่ถึงร้อยี่สิบคือปัญหาสาคัญว่าท่านทำงานได้หรือเปล่า เป็นเรื่องของของการใช้ตัวอย่างตัวพิจารณาแล้วเราก็คิดได้เรื่อยๆนะเรียกอย่างหนึ่งในสํานวนหนังสือที่เราคุ้นคํานี่เราคุ้นเนี่เราคุ้นคําว่าติรณปริญญาเป็นความรอบรู้ที่เกิดขึ้นด้วยการช่างการไตรตรองการวิเคราะห์ตรวจสอบการพินิจพิจารณาก็เรื่องหาอย่างเดียวกันประการต่อไปนั้นปริจาคมัทธยานนะเป็นคําในพิสุทธิ์เออ ปฏิทัศนิธามักนะเราไม่เคยเจอหรอกคําคําเหล่านี้จะไม่เคยได้ยินเท่าไรคือเป็นปัญญาในการละในความสละละกิเลสก็ได้นะละกิเลสก็ได้ที่จริงสละอะไรก็ได้นะสละสิ่งของเกื้อกูลกับคนอื่นก็ได้คือมายความมาจริงๆเนี่ยให้ยองให้รองให้ลองสังเกตว่าการสลละนี่ที่จริงมันมันต่อเ น, นื่องกันจิตตนาเจตนาจะเสียสละต้องเกิดขึ้นภายในจิตก่อนเรื่อจากขจจเจตนามันเกิดต้องเกิดขึ้นมาก่อน โดยจึงมีการสละวัตถุสละผลประโยชน์สละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมมันติดจะติ ด, ต, ดตามมาทีหลังเพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดพิจารณาเห็นคุณกงการสละเห็นคุณองการละเห็นโทษกงการไม่สละไม่ละแต่ในที่สุดก็มีการละมีการสละไปตามสมควรแ ก, กร่กรณีนะฮะแก่แล้วแต่กรณีอะไรแต่อย่าลืมว่าเป็นความต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ว่าสลับใเพาะวัตถุภายนอกแต่ถ้าเจตนาจะเสียสละบไม่มีภายในใจเนี่ยมันสลัไม่ได้หรอกเจตนาจะต้องเกิดขึ้นไปในใจเราสละการสลัจริงจะเกิดขึ้นได้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเอกระรสัทธญาณปัญญาเครื่องเจริญในความว่ามีกิจเป็นอันเดียวกัน มาร์กิตก็คือความรู้แจ้งนะะคือความรู้แจ้งขจัดโมหะคือขจัดอวิชาแล้วก็เป็นการพิสูจน์พิสูจน์ทดสอบว่ามันเป็นปัญญาจริงหรือเปล่าหรือเป็นเป็นเป็นญาณจริงหรือเปล่าดูว่าเกิดแล้วกิเลสมันลดไหมถ้ากิเลสไม่ลดก็แสดงว่าไม่ใช่เพราะตัวแม้แต่ตัวปริญญาที่เรารับปัญญากันเยอะเนี่เรื่องนี้พระเราก็เรียนเป็นปริญญากัน แล้วเราก็ตื่นเต้นกับปัญญาคล้ายๆกับจะบรรลุมรรคผลอะไรไปแต่จริงบางทีเราเรียนไปเรียนมากิเลสมันเพิ่มขึ้นนะตามันเครืองขึ้นมานะมันโตขึ้นทิฏฐิมันแกร้าขึ้นก็แทนที่จะบา่ า, บายหน้าไปสู่นะิพพานมันบ่ายหน้าไปสู่นรกได้เพราะฉะันพระธาตุอย่างนั้นแล้วมันเป็นการศึกษาแนวที่ท่านเรียกว่าอารักขตูปะมะประยิยต คือเหมือนกับอสรพิษที่มันต่อสู้กันต่อมาเอาชนะมาหากล้างกันเพราะงาั้นในการศึกษาในการพิจารณาอะไรก็ตามคือเราเชืนว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับญาณหรือปัญญาได้แก่พวกกิเลสมีชื่ออย่างไงก็ตามนะฮะประตามจะเริ่มที่ไหนก็ได้จริงๆแต่ว่าตามปกติแล้วมันจะทําหน้าที่ขจัดตัวอวิชชาหรือตัวอัญญาตัวความไม่รู้เนี่ย การต่อไปนั้นปัญญาเครื่องทําให้แจ้งในความว่าถูกต้องหมายความว่าเราสัมผัส พ, พิสูจน์ทดสอบเบื้องประสาททั้งห้าทั้งหกเนี่ยนะแล้วก็ได้ข้อยุติไว้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคล้ายๆกับอะไรอ่ะแม้แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นญาณระดับหนึ่งเนี่ยญาณระ ด, นนดนับฉันสมมติเราพิสูจน์อาหารอย่างนี้ยพิสูจน์อาหารแล้วก็สัมผัสรสชาติของอาหารว่าถูกต้องไม่รส น้ำพริกรถเนี่ยของคนนั้นใช่ไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่ามืก่อนไปดูอะไรของของญี่ปุ่นก็พิสูจน์ขนมแกรู้หมดเลยว่าทามาจากร้านไหนเนี่ยมันยอดมากเลยก็แสดงว่าเป็นนักชิมชั้นยอดแล้วก็กินมาเยอะเลยสามารถแยกแยะได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนั่นก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับหนึ่งแต่ว่า รู้แนวนี้มันก็เสียอย่างหนึง่งที่ก็อยากกินต่อแต่ว่าของท่านเนี่ยท่านมองไปที่ว่าการลดการมีเหตุผลในการวิเคราะห์ตัดสินสิ่งต่างๆไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสมากเกินไปก็ต่อไปก็คืออัฏฐปฏิสัมพิทายานปัญญาความแตกฉานในอัฏฐคือเนื้อหาอัฏฐก็คือเนื้อหาของสิ่งหนึ่ง เช่นสมมติว่าเราพูดถึงคำว่าไฟในเนื้อหาของไฟคืออะไรเนื้อหาของไฟก็คือร้อนกับมีแสงสว่างเรียกชื่ อ, อยังไงเรียกเรียกได้เยอะในภาษาบาลีเองยังเยอะเลยภาษาไทยเราก็เรียกเยอะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมีเรียกเยอะแต่แตกต่างกันออกไปแต่เนื้อหานี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อที่น่าสังเกตคือการศึกษาของเราในปัจจุบันเนี่ยเราจะยึดติดในรูปแบบ ไม่ค่คยมองในประเด็นของเนื้อหาว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันก่อนก็มีโครงการอะไรเขาเรียกว่าตำรวจของแผ่นดินก็นิมนต์ให้ไปเป็นวิทยากรเ็าเรียกว่าพุทธธรรมนำชีวิตอะไรในีนังหัวข้อเนี่นก็พยายามวิเคราะห์ไอ้คนเหล่านั้นเราเข้าใจนะดโดยเนื้อหาสาระของความเป็นตำรวจเนี่ย ก็คือเป็นวิถีชีวิตที่บริการสังคมเหนือตนคือสังคมต้องมาก่อนแล้วเราก็พร้อมที่จะบริการเขาโดยการอบปุ้มคุ้งครองปกป้อ ง, องรักษาพิบาติกระจัดปัญหาต่างๆให้กรอบใหญ่จริงๆของราชการตลอดถึงประเทศและแม้แต่ศาสนานะฮะ เรเหนว่ากรอบเดียวนะจริงๆมันกรอบเดียวกันเราสวดงานของพระพุทธเจ้าว่าชี้ทางบรรเทาทุทกชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระ น, นริภานอันพ้นโศกประโยคภัยเพราะนภารกิจเนี่ยคือชี้ทางบรรทออุทกกับชี้สุกเกษมสารให้ชี้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรจะทํำยังไงเพราะภารกิจของรัฐธรเนียของรัฐเนี่ยไม่รัฐไหนก็ช่าง พี่จริงคําขวัญของมาไทยเนี่ยคําขวัญว่าบังบัตรทุกบังรงสุขเนี่ยมันครอบหมดแล้วพิ่ทักษิณธีราศรีชีพเพื่อชาติหรืออะไรต่างๆคําขวัญต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็คือบังบัดทุกบังรงสุขนั่นเองคทุกวุกมีสองอย่างคือทุกที่ยังไม่เกิดกับทุกที่เกิดแล้วสุขก็มีสองอย่างคือสุขที่เกิดแล้วกับสุขที่ยังไม่เกิดคือทํำยังไงล่ะเพราะทุกที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันทุกที่เกิดแล้วก็ขจัดความสุขที่ ยังไม่เกิดก็สร้างขึ้นสุขที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ไมันก็เท่านั้นเป็นเนื้อหาสาระเนี่ยแม้แต่ว่าประเทศเองเราพูดถึงประเทศการบริหารประเทศบริหารระเบียบนาไปรอบๆเรามองในแนวของการบริหารแล้วก็ไม่ได้มองในแนวกังเนื้อหาว่าการบริหารเนี่ยมันก็คือป้องกันประบัดป ร, รุงรักษาเท่านั้นแหละ ภารกิจตรเนี้มันจังจุดเล็กๆบริหารร่างกายก็คือป้องกันบำบัดบำรุงรักษาบริหารองค์กรก็คือป้องกันบำบัดบำรุงรักษาบริหารประเทศบริหารโลกองค์การสากลชาติเนี่ยภารกิจเมื่อเรากกอะกลุ่มดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการป้องกันมีการบำบัดมีการบํารุงมีการรักษาพอจับประเด็นเนื้อหาได้มันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปยึดติดในรูปแบบอะไรนั่นคือการเข้าใจเนีน่ยม แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันลักษณะของเป็นปฏจ ก, กิริย์กันยงลองสังเกตวก่านักวิชาการทั้งหลายในยิ่งปราดเปรื่นเท่าไหร่เนี่ยแกเอาแกเป็นศูนย์เลยศูนย์ของจั ก, กรวาลเลยผมว่าอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นผมเห็นว่าอย่างนั้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นผมถือว่าอย่างนั้นผมสัรนิธามันไอ้ผมนี่มันใหญ่มากเลยเป็นตัวกําหนดชีพเป็นชีพตายหมดเลยแล้แกไม่เข้าใจนะว่าคําพูดอย่างนั้นไม่มีน้ําหนักคุณเป็นใครอะ มาชี้ผิดที่ถูกมันมีกฎเกณฑ์อะไรเออกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นธรรมะเขาว่าอย่างนั้นพระวินัยว่าอย่างนั้นไม่ใช่เราว่าอย่างนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราเป็นใครอ่ะรรมาชี้ผิดที่ถูกอะไรได้อันนี้คือเราไม่เข้าใจอัตถะโดยเนื้อหาโดยสาระเนี่ยทาให้สิ่งที่นําเสนอกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไปโดยธรรมชาติกมัน เพาไปให้ความสำคัญกับไอ้ตัวตนตัวตนของของบุคคลแต่ละคนธรรมะปฏิสัมพิทายานท่านฟังนึกออกนะฮะเช่ น, นในสัพพิสธรรมนี่อัถอัอถันยูอัตตันยูธรร ม, มัญยูเนี่อัถถันยูธรร ม, มัญยูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นความเข้มข้นเฉยเฉมันอยู่ในที่ต่างๆอยู่ในปฏิสัมพิทาอยู่ในที่ต่างๆเีอย เน้นแมแต่การศึกษาการสวดที่เราทำวัดตอนเช้านะศ า, าสถังสัพยัญเจเกวะลาปริปนงังปริสุทธ์ทางประมรัญญางประกาศเสิมันก็คือเนี้ยคือแตกฉานสมบูรณ์ด้วยอัถะและพยัญนชนะผลแตกฉานในธรรมะธรรมะเช่นสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องสติเราจะพูดถึงหีริเราพูดถึงโอตระปาอย่างเงี้ยเราแตกฉานในธรรมะบ่ายหี ร, ริเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเมืม่เกิดขึ้นได้อย่างไงหีริก็คือ ความละอายต่อ บ, บาปความรังเกียจบาปขยะขแขงต่อ บ, บาปกั้นจิตจากบาปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นโดยอาศัยชาติสกุลที่เราเกิดมาอาศัยการศึกษาอาศัยวุฒิภาวะของเราที่จเจริญขึ้นอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งกระาหารก็เป็นมโนธรรมภายในใจของมนุษย์ เราก็สามารถจะอธิบายได้สติเป็นยังไงนะความประมาทเป็นยังไงอะไรแต่ไรเนี่ยจะอธิบายธรรมะเหล่านั้นได้แล้วก็ไม่ต้องไปติดใจเรื่องบูรณาการหรือไม่บูรณาการคือเ้าบูรณาการเขาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้ า, านฟังทั้งหลายแต่หรวงรพ่ทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครั่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบุญในธรรมจงมิตรท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี